บัญญัติ851ก็ภิกษุณีใดยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันหรือพูดกระสิบข้างหูสองตัวสองกับชายในถนนหรือต่อกตันหรือทางสามแพรนหรือส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปต้องบัตตาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลลนันทา